นามวัดหลวงเมืองระยองผ่องพิพัฒน์ก็คือวัดขบุรณะ เป็นธุระสร้างโบสถ์ใหม่ให้แข็งขันปาลีลัยชื่อพ้องปี 2523 อารามนี้ โบสถ์วิหารนั้นสง่าอ่าอัมไพคนมาไปร่มเย็นเป็นท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือราย สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เนี่ยนะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นอายุ 78 ปีแล้วเมื่อ 3 ปีมาแล้ว แม่ลำไยเนี่ยมีจอมปลวกขนาดใหญ่มากคนโบราณเค้าเรียกพญาปลวกหรือว่าปลวกๆก็ๆอย่างนั้นคุณแม่ลำไยเค้า ปรากฏว่าคืนนั้นเองขาทั้งสองของคุณแม่ลําไยก็มีอาการ ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดอ่าจากนั้นก็เริ่มนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ ฝั่งตนบุรีนะครับเข้าไปในวัดแล้วก็จอดรถ ชาวบ้านชี้บอกว่าเห็นเดินไปทางกุฏิแม่ชีบุญเรรคุณณัตนาก็เลยรีบตามเดินไปขึ้นไปบนกุฏิภาพ ถามว่าคุณแม่ชีรูปนั้นก็ยิ้มให้แล้วก็พูดว่าถ้าอยากเดินก็ต้องเดินได้สิจะขึ้นไปบนกุฏิ จากนั้นแม่ชีรูปนั้นก็เดินนําว่าใช่แม่ชี รีบเข้าไปกราบขอบคุณแม่ชีบุญเรือนที่ได้สําแดงอภินิหารช่วยแม่ทุกวันจะมี แม่ชีบอกว่าคุณแม่บุญเรือนน่ะเคยครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้ว ความน่ามหัศจรรย์ของคุณแม่บุญเรือนโตงบุญเติมเนี่ยอยู่ ขอให้คุณแม่น่ะดลบันดาลสิ่งที่ปรารถนาดลบันดาลให้หายจากโรคภัยเมื่อได้รับสิ่งที่คุณแม่บันดาลให้สมปรารถนาหรือว่าหายจากโรคภัย จากรูปปั้นของไพลเกลือพริกไทยสาคูแล้วก็ใช้ทาแก้โรคต่างๆอธิษฐานภาย ถ้าแก่ปวดเมื่อยเครียดขัดยอกอะไรเช่นสาคูเปียกไป ที่สําคัญที่สุดของการรักษาโรค ดิฉันนาง 12 ซอยขนึงสุขตำบลท้ายบ้านอำเภอเมือง ก็อุทิศตนรับใช้คุณแม่มาดูแลสลาแล้วก็คอยอํานวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้าไปขอรับการรักษาโรคที่ศลาคุณแม่บุนเรือนหากใครได้ไปที่ศลาก็คงจะได้พบเห็นคุณอุไรนี้จะให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งประวัติของคุณแม่บุญเรือนเกิดรณทิตย์ วันที่ 10 มีนาคมปี พ.ศ. 2437 อ่าขึ้น 15 ค่ําบิดาชื่อยิ้มมารดาชื่อสงวนนามสกุลกลิ่นผกาเกิดที่คลอง ได้เล่าเรียนหนังสือพออ่านออกเขียนได้เท่านั้นแต่ว่าได้รับการศึกษาวิชานวดจากคุณปู่ชื่ออาจารย์กลิ่นซึ่งเป็นหมอนวดที่มี บำบัดโรคให้แก่ชาวบ้าน 19 ปีคุณแม่บุญเรือนกับสิบตํารวจโท แต่ไม่มีบุตรด้วยกันก็เลย จนถึงปี พ.ศ. 1470 คุณแม่ ได้แก่การแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างเช่นอธิษฐานต้นมะม่วงเล็ก ว่าที่จริงแล้วคุณแม่บุญเรือนมีความรู้ หรือว่าจะเป็นรั้วอะไรทั้งสิ้นแม่บุญเรือนสามารถเดินทะลุไปทะลุมาให้คนเห็นๆถึงจุดหมาย 2 แม่ ไม่ว่าผู้ใดจะอยู่ห่างไกลต่างบ้านต่างเมืองจะพูดอะไรว่าผู้ใดจะอะไรเมื่อคุณแม่บุญเรืองราวทุกประการและบอกผู้ใกล้ชิดให้ทราบว่า การกําหนดจิตใจผู้อื่นได้เรื่องนี้คุณแม่บุญเรือน อ่าของคนอื่นที่ล่วงมาแล้วก็ จากกามาสภาวะ' กามสภาวะผู้ปรัสจังอาสวะย่อมพ้นจากความ มีผู้สร้างบ้านพักให้ที่ถนนวิสุทธิกษัตริย์ในที่ดินของ 2507 คุณ และครั้นถึงวันที่ 6 กันยายนคุณแม่ได้สั่งให้หยุดนาฬิกาเรือนใหญ่ไว้ที่แลแล 7 กันยายนปี 2507 ก่อนเวลา 11:00 น. คุณแม่ก็พูดจากับลูกหลานแล้วก็สานุศิทธิ์ได้ตามปกติแล้วก็นาฬิกาไว้พอดีคุณแม่บุญเรือนวายชนที่บ้านพระขหนงมีศานุศิทธิ์ของท่าน และร่วมบําเพ็ญกุศลฟังสวดอภิธรรมกันที่แล 25 ตุลาคม 2507 คําว่าคุณแม่ๆสิ่งต่าง คุณความดีที่คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมท่าน รูปปั้นคุณ 72 บางพลัดกรุงเทพมหานครศักดิ์สิทธิ์รักษากี่หมอกี่หมอไม่หายนักใครเจ็บไข้ได้ เล่าลือครับนี่คือความมหัศจรรย์ของคนดีที่ใช้ความดีของตัว ชะเดี๋ยวพักสักครู่ครับ